มีกอบจุกันทุกคน <c oughs> วันนี้อากาศก็ดีตื่นเช้าเช้าอากาศเริ่มจะเย็นเริ่มจะหนาวสงสัยฝนฟ้าคงจะหมดอากาศเย็นก็เริ่มจะเข้ามาวันนี้ก็ทางเห็นยกขาวที่มาจากอิตาลีเดินทางมาก็คงแกมาถึงวัดของเราช่วงประมาณสักบ่าย ประมาณสักหกขันรถใหญ่ที่จะมาส่งยกหินยกขาวที่จะมาแกะสลักเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานเอาไว้ในมหาเจดีย์มีโอกาสข็ขอเชิญพี่น้องเรานำพลักไม้ ก่อนที่จะนำห็นลงนำยกลงก็จะได้ทำพิธีจุดธูปจุดเทียนบูชาสถานที่พบภูมิเจ้าที่ไดเ้เพื่อความเป็นสิริมงคลจากโยมก็นำผลไมกหลักไม้มาส่วนหนึ่งก็นำมาไว้ที่โรงครัวตั้งแต่เมื่อวานหลวงพ่อก็ขอขอบคุณทุกคน จะทำอะไรก็ทำไปเพื่อให้เป็นสิริมงคลของชีวิตการที่จะนำยินมานำยกมาแกะเป็นองค์มาทำเป็นองค์พระพุทธรูปใหญ่เราก็ได้รวมพลังน้ำใจของผู้มีบุญมาช่วยกันกว่าจะได้มาถึงวัดเรากว่าจะได้ต้อง ติดต่อหลายหน่วยงานหลายฝ่ายนี่ก็มีผู้ใจบุญดำเนินให้พวกเราก็มีโอกาสได้มาร่วมกันได้มาช่วยกันใครใคอยากจะมาตั้งโรงทานก็มานะพรุ่งนี้มาตั้งโรงทา น, านะ น, าานส่วนรถที่นำหินยกมาก็ให้ถ้ามาถึงก่อนก็ให้เข้าจอด โดยที่ลานพ่อหมาก็สัตย์จะกอดทุกคันเพราะว่าจะได้ไม่ได้ลำบากรถยกรถอะไรเข้ามาก็จะได้ไม่ได้ลำบากคันไหนจะลงก่อนลงหลังก็ค่อยวิ่งเข้าไปที่ลงตอนพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วก็ทางครัวของเราก็ช่วยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาอาหารที่ เจเฟอร์รถที่มาส่งให้ไม่ให้ลำบากมาถึงเวลาไหนก็บอกให้มารับประทานข้าวปลาอาหารที่โรงครัวทางแม่ครัวก็ช่วยจัดกับข้าวกับปลาไว้ให้ด้วยไม่ให้ลำบากโอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดพวกเราได้มีโอกาสได้มาสร้างบุญร่วมกัน ฝากก็ไว้ในสถานที่ฝากก็ไว้ในแผ่นดินมีโอกาสมากพวกเราก็ได้ทํามากมีโอกาสน้อยพวกเราก็ได้ทําอย่าว่าไปทําไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตื่นขึ้นมาเรารีบสํารวจกายสํารวจใจของเราอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลให้เรารีบทำํทำทํามากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเรา อย่าว่าไม่ทำวันนี้ก็จะได้มีทำพิธีบวชนาคบวชนาคที่วัดคงเราก็ประมาณ8ดแดมงครึ่งปดโมงครึ่งแดมงครึ่งหลายรูปหลายองค์หลายท่านที่ปรารถนาที่จะมาบวชมาบวชจุดที่วัดบัดคงเรานีนพระก็เยอะฉีก็เยอะ ที่พักที่อาศัยก็เลยไม่เพียงพอกันเดี๋ยวนี้ก็ช่วยกันทาอยู่ทางฝั่งมหาเจดีย์ทำไปเรื่อยๆขึ้นหลังคาโคงหลังคาได้หลายหลังทางอาจารย์นํานวยทางอาจารย์สุพจน์ก็พาหมู่ภาคณะพากันทาทาช่วยกันทำช่วยกันญาติโยมบางว่างก็ไปช่วยกันไปก่ออิดไปก่ออิดถืออิดผสมปูน ช่วยกันทำทุกอย่างให้ช่วยกันทําทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุตรที่พักที่อาศัยที่หลับนอนของเราก็ยังไม่เพียงพอกันถือว่าไม่ถึงกับลบําบากสมัยก่อนยิ่งลําบากตั้งแต่30บกว่าปีลําบากยังไม่มีอะไรแม้แต่ศาลาหอชั้นของเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นเล็ ก, ลก ก็ค่อยขยับขยายแต่ละปีแต่ละปีมีงบมีทุนมาก็ค่อยขยับขยายีายยยาย่พื้นที่ที่เรานั่งก็ตรงนี้ขุดลงไปตรงไหนก็มีตั้งแต่หายกระดูกก่องกระดูกเยอะต้องขุดขึ้นมาทํำพิธีีรอบข้างของเรานี่ทั้งเผาทั้งฝังเต็มเกลื่อนไปหมดเป็นป่าเพกป่าน้ําเล็บแมวป่าน้ําคอ ม, อมเดินเข้ามาในขาทะเลาะปอก ลำบากจุแม้แต่ถ้วยชามยังเก็บเอาตามหลุมศพไปล้างมาไว้ใส่กับข้าวกับป่าเลยสมัยสามสิบกว่าปีลำบากมากทีเดียวถนนหนทางก็ยังเป็นทะเลหน้าฝนนี่เข้ามาไม่ได้กว่าจะพัฒนาได้ขึ้นมาให้พวกเราได้อยู่ได้อาศัยกันก็าอาศัยอานิสงส์บุญของทุกคนเราอหลอมรวมกันเออ ชุ ด, ดแต่ละชุดทาขึ้นมาพวกเรามาอยู่มาอาศัยก็มาสร้างสารโตให้ฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังไปเรื่อยๆพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้ไม่ได้ลำบากวางรากฐานเอาไว้ต้นไม้ก็เริ่มจะให้ร่มเงาสมัยก่อนไม่ค่อยจะมีร่มเงาเท่าไหร่ไปที่ไหนก็ขาถลอกปวกเปลอกเดินผ่าป่านี่ยังไม่อยากจะเดิน คนไม่อยากจะเข้ามาในป่าเพราะว่าเป็นน่ากลัวมีแต่หลุมศพมีแต่วังศพเผาศพเกือนกันไปหมดกระดูกในขาวโพล่งต้องมาเก็บทำความสะอาดมาจัดระบบระเบียบสมัยหลวงพ่อเข้ามาอยู่องค์เดียว แต่ละวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนทําความสะอาดทั้งขัดเกากืเลนทั้งละเกลื่อทั้งทำความสะอาดจัดระบบระเบียบทุกอย่างแต่ละวันเนี่เป็นนอนอยู่ตามลมไม้จุดน้นบ้างจุดนี้บ้างเออเอากดเอาเต้นไปกลางนอนอยู่ตามลุมศพใบฝึกผลตัวเองละความกลัวละความยากละกลเลสต่างๆ งานสมมติภายนอกก็ทำที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนก็จะทำขึ้นมาได้แต่ละชิ้นแต่ละอันในลำบากสมัยก่อนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีนนทำโดยแรงกายนชวนพี่ชวนน้องทำแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลำบากอันนี้ส่งผลบุญส่งมาให้ทุกคน รวมรวมพลังมาช่วยกันท้งใกล้ทั้งไกลมาช่วยกันทําสิ่งน้นบ้างสิ่งนี้บ้างอะไรที่จะเป็นประโยชน์แต่ละวันแต่ละวันก็ช่วยกันทําจนกระทั้งมาถึงทุกวันคนรุ่นหลังก็เลยไม่ได้ลําบากที่พักที่อาศัยก็ไม่ได้ลําบากที่อยู่ที่กินก็ไม่ได้ลําบากเพราะอ น, นิสงษ์ผลบุญของคนรุ่นก่อนคอยสร้างสะสมมาถึงพวกเรา พวกเราอยู่ก็ช่วยกันดูแลสร้างสะสมต่อด้วยสติด้วยปัญญาเพื่อให้เกิดประโยชน์ให้เกิดแหล่งบุญอันยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าเดี๋ยวนี้ก็เป็นแหล่งบุญใหญ่ญาติโยมเข้ามาตั้งแต่ตัวเล็กๆเข้ามาก็มีความสุขผู้เฒ่าผู้แก่มาก็มีความสุขมีโอกาสทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมีโอกาสก็ให้รีบทาขณะยังมีกาลังกายที่แข็งแรงอยู่ การเจริญสติการจเจริญปรรัญญาการจเจริญภาวนาเรารู้จักวิธีการแลเรารู้จักแนวทางแล้วเราก็ไปรีบทำยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียง เ, เรียบทมันพ่สอนใจของเราแก้ไขใจของเราอบรมใจของเราอยู่ตลอดเวลาออถ้าเราไม่อบรมเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครจะทำให้เราได้รอกนอกจากตัวของเรา ส่วนการทำบุญการสร้างสะสมคุณงามความดีอยู่ระดับสมมุติมีโอกาสได้ร่วมกันได้ทำช่วยกันส่วนการขัดเก่ากิเลตกิเลส เ, เกิดขึ้นเมื่อไหร่เราก็แก้ไขเรา กายวิเวกเป็นอย่างไรใจวิเวกเป็นอย่างไรวิญญาณในขันห้าเป็นอย่างไรทําไมท่านถึงว่าเป็นกองเป็นขันกองรูปกองนามกองกุศลกองอกุศลมันเป็นลักษณะหน้าตาอาการเป็นอย่างไรเราต้องรู้ด้วยปัญญาตามแนวทางของพระพุทธองค์มาท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องอัตตาสอนเรื่องอนัตตาธรรมะอัตตาอนัตตาใน คำสอนของท่านเป็นลักษณะอย่างไรสอนเรื่องหลักความจริงของชีวิตการดำเนินชีวิตหลักของอริยสัจความจริงอันประเสริฐเป็นอย่างไรการดำเนินแนวทางตามอาริยมรรในองค์แปดที่ถูกต้องการขัดเกากิเลศหยาบกิเลสละเอียดเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องดูต้องรู้ต้องทำความเข้าใจให้ละเอียด กายทำหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหททำหน้าที่อย่างไรทุกเรื่องในชีวิตต้งแต่ต่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เวลาจะรับประทานเข้าปะอาหารก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาปฏิสังขายโยรู้จักพิจารณาความอยากความหิวความอยากเกิดขึ้นที่ใจความหิวเกิดขึ้นที่กายแต่เขาก็อาศัยกันอยู่เราต้องรู้ ไม่ให้ใจของเราเกิดความอยากกะประมาณในการรบชันของตัวเราอยู่ตลอดเวลากายทำหน้าที่อย่างนี้ท่าวันทั้ง6ททำหน้าที่อย่างนี้ความอยากแม้แต่นิดเดียวนะเราก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมาความเพลเยอทยานอยากการขัดเก่ากิเลสการพูดง่าย แต่การลงมือการทำความเข้าใจต้องเป็นคนที่ขยันมันเพียนมันขัดมันเกามันเอาออกอใจเกิดความอยากก็ละความอยากใจเกิดความโลภ ก, ก็ละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกอให้อภัยทานอโหสิกรร ม, มทานทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังสติกำลังปัญญาทุ่มเทมด้วยเหตุด้วยผลรู้เหตุรู้ผล รู้จักจุดปล่อยรู้จักจุดวางก็ต้องพยายามไม่ว่าพระวยโยมบัญชีรู้จักวิธีการแล้วรู้จักแนวทางแล้วยืนเดินนั่งนอนให้เป็นแค่เพียงเรียบบทอีกทักหน่อยก็ต้องได้พัดภาคจากกันไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายเพราะเป็นกฎของไตลักจ ะ, ะ, ะมั่งมีสีสุขจะยากจน คนแค้นถึงขนาดไหนทุกคนเกิดมาก็ตายหมดแม้แต่พระเจ้าจยู่หัวของพวกเราท่านก็ได้สวสด็จสวรรคตตะคงที่ได้ยินข่าวทราบข่าว ประชาชนยาจบ ก, ก็สิ้นก็วายชนหรือว่าตายเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดแต่ขณะที่ยังมีลมหายใจเราได้สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองให้กับประเทศชาติบ้านเมืองให้กับสมมุติแล้วหรือยังแต่อย่างก็เริ่มเสื้อคิดดีทำดีการกระทำของเราให้ถึงพร้อม เหมือนดังกับปนิธานของในหลวงที่ท่านได้ชี้แนะแนวทางเอาไว้ให้อยู่ตลอดเวลาท่านก็ได้พาประพฤติพาปฏิบัติให้เห็นเป็นตัวอย่างไม่ได้ปล่อยปะเวลาทิ้งทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมาหาศาล การเจริญสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างนี้อะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจของเรามีโอกาสมาร่วมกันมาช่วยกันยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสถานที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดสถานที่เปิดเรามีโอกาสก็ให้รีบทำ ทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราถึงเราไม่ได้ทำเราก็น้มใจของเราเข้ามาอนุโมทนาสาธุเราก็มีส่วนแห่งบุญก็ขอเชิญชวนพี่น้องเราทุกคนใครใครอยากจะมาตั้งโรงทานก็มามาได้ตลอดเวลาโรงทานข้างล่างก็เปิดทุกวันเปิดทุกวันใครอยากจะมาช่วยทำโรงทานก็มาทางแม่ครัวทางโรงทานก็เปิดใจให้กว้าง มาช่วยกันทำลำบากนะคนทำครัวทำกับข้าวกับปลาให้กับคนหมู่มากก็จะได้ทานก็จะได้กินในลำบากทำมากทำน้อยก็พยายามทำมีอะไรก็ให้ช่วยกันอดทนหนักเอาเบาสู้คนที่เสียสละเวลาม า, าทำให้ก็นับว่าเป็นบุญเป็นอนุสง์อันใหญ่ มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาค่อยคิ้แนะแนวทางช่วยกันอย่าไปพูดอักขติเพ่งโทษกันอย่าไปว่ากันก็คงจะไม่มีมีอะไรก็ให้ช่วยกันทั้งพระทั้งชีทั้งพระเราก็ทั้งพระทั้งคารวะญาติยโยมีโอกาสอยากจะไปช่วยกันทำกุฏิเป็นที่พักที่อาศัยของพระคุณเจ้าก็ไปได้ตลอดเวลา วันนี้จะมีการผูกเหล็กในการผูกเหล็กมัดคานที่สลาโรงเรียนทำมาโรงเรียนให้กับโรงเรียนไทยรัฐให้กับเด็กมีโอกาสก็ชวนพี่น้องเราไปผูกเหล็กช่วยกันไปผูกเหล็กผูกคานผูกอะไรยกคานยกอะไรมาช่วยกัน เมื่อวานนี้ก็ได้เทตอหม้อเทต่อหม้อใหญ่กับเทลีนเทตอหม้อแล้วก็วางเสาคงใหญ่กว่าหลังศาลาของเรานี่ละมั่งใหญ่กว่าช่วยกันทาเดี๋ยวก็เสร็จสัมผีนั่นทำที่นี้เดี๋ยวก็เสร็จจะได้ขยายที่ทางห้องสมุดเก่า จะได้ทำเป็นลานจอดรถจะได้ไม่ได้ขับแค่ก็เลยขยับขยายเข้าไปข้างในนี่ทำหลังใหม่นี่ตรงที่ตรงหลังเก่าก็จะได้ปรับพื้นที่ให้ได้ทันจอดรถในวันงานกระถินวันงานกระถินของพวกเราก็คงจะเป็นวันที่13บสามพฤศจิกาจนได้มีผู้ใจบุญ มาจองกฐินเอาไว้คุณพ่อกำพลคุณแม่อับสอนพอพิบูร์ซึ่งท่านก็อยู่ที่กรุงเทพก็มาจองเอาไว้หลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปีก่อนน้าท่วมน้ำท่วมก็เลยไม่ได้มาก็ขอมาปีนี้พี่น้องของเราก็มาภาวนาทำกองกฐินร่วมกันหลายคนหลายที่ ทำได้ทุกคนกองเล็กกองน้อยก็มารวมร่วมกันเพื่อที่จะรวบรว ม, รวมทุนยังสร้าง ม, ามาหาเจดีย์ใหญ่ของพวกเราให้สำเร็จลุล่วงลงไปใช้งบใช้ทุนเยอะใช้งบใช้ทุนเยอะไม่ต่ำกว่า300ล้านหรือประมาณ500ล้านก็จะตกแต่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวนี้ก็หมดไป5้าจุดกว่าล้านก็คงจะไปเรื่อย ไปเรื่อยมีงบมีทุนมาก็ค่อยทำทาทุกอย่างอะไรที่จะเป็นประโยชน์ทุ่มเททั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในใจของพวกเราให้เป็นกองบุญอันใหญ่ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นมาปดิท ฐ, ฐานพระบรมสารีริกธาตุจากทวนที่ท่านเสด็จมา ได้รับความมนุเคราะห์เมตตาจากคุณลุงทองดีท่านได้มอบออามาไว้ให้เยอะเลยทีเดียวท่านยังจะมอบมาไว้ให้อีกอยู่อืทําเสร็จเมื่อไหร่ท่านก็จะมอบให้อีกเอามาไว้ให้เป็นสิริมงคลของสถานที่ของเรามนุษย์ของเราเทวดาย่อมจะหลั่งไหลมาตรงไหนเป็นแหล่งบุญแหล่งกุศลก็ย่อมจะหลั่งไหลมาส่วนการเดินปัญญาละกกิเลส ก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสหารที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหลวงพอ่อขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละบุคคลว่าจะเอาไปขัดเกลอกิเลสของตัวเองได้หรือไม่วิธีการแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบมานาน พวกเราทําไปสอนตัวเองไม่มีใครจะสอนเราได้นี่พระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบแล้วก็ามาจําแนกแกกแกงการละกิเลสเป็นอย่าง น, นี้ีใจที่สะอาดใจบที่บริสุทธิ์เป็นอย่างนี้กิเลสยาบกิเลสละเอียดมีหน้าตาอาการเป็นอย่างนี้วิญญาณในกายเป็นอย่างนี้ทําอย่างไรเราถึงจะเข้าถึงนี่แหละวิธีการแนวทางเราพากันมาดําเนินอ่าพากันตั้งใจแล้วผ่อนกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงไหวพระพร้อมกันเพราะว่าวันนี้จะได้มีการบวชนาหลังจากจานข้าวเสร็จก็จะได้ไปทําพิธีบวชนาคญาติโยมก็ทานข้าวทานป่ากันนะนาก็ทานข้าวทานป่ากันประมาณทักสองโมงเช้าหลวงพ่อประชาก็จะมาบวชให้ท่านก็มีธุระจุดอื่นอยู่ก็ให้รีรปิดกันหน่อยนะอ่าป่ากันไหวพระพร้พอมกัน